สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิอภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่233คําอธิษฐานของพระเยซูตอนที่8เรื่องทาวิงวอนแรกคําวิงวอนที่หนึ่งวจนะของพระเจ้านะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ9ถึงข้อ13ให้เราท่องคําอธิษฐานของพระเยซูที่จัดสอนพวกเราทั้งหลายทุกคนพร้อมกัน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 ขออย่านำภาพตรงไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากเค่งชั่วร้ายเหตุว่าราช น, นาฏฤทธเดชและพระชนิกเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจท่องครับในการอธิษฐานพระเยซูได้ทรงสอนเราให้เราอธิษฐานตามแบบอย่างที่พระเยซูนั้นผมอยากจะทบทวนนะครับว่าคําอธิษฐานของเรานั้นมีอยู่สามระดับครับระดับแรกก็คือระดับเลมฝีปาก ระดับคําพูดครับไม่ว่าจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็ตามระดับที่สองก็คือระดับความคิดเมื่อเราอธิษฐานนั้นเราจะต้องคิดตามไปด้วยคิดถึงความหมายถ้าคิดไม่ทันต้องหยุดคิดครับระดับที่สามคือระดับหัวใจระดับหัวใจนี่เป็นเสียงของความร้อนรนนะครับเสียงร้องของความร้อนรนหรือความรักที่มีต่อพระเจ้าซึ่งอยู่ในระดับที่สูงที่สุดลึกที่สุด ครับทำอิทธิฐานระดับหัวใจนั้นพักจะใช่อธิษฐานในเวลาส่วนตัวครับอาจจะร้องไห้อาจจะมีความซาบซึ้งหรืออาจจะมีความปีติสุขได้นะครับนี่คือการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการอิทธิฐานสามระดับนะครับเมื่อเราอิทธิฐานประโยคแรกก็คือข้าแต่พระบิดาแห่งข้าคงทั้งหลายเรามีความรู้สึกไหมครับว่าเรามีความสัมพันธ์สนิทลึกซึ้งกับพระเจ้า วันนี้เราจะอยู่ในอตอนที่สองนะครับก็คือคำอธิษฐานวิงวอนนะครับในประการแรกคำทูลขอแรกก็คือคำอธิษฐานที่ว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนั้งพูดพร้อมกันนะครับขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเวลาที่เรอาอธิษฐาน คำคำนี้ซึ่งเป็นคำวิงวอนคำแรกนั้นเราต้องคิดครับว่าเราจะให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพศักดิ์ระได้อย่างไรนั่นแปลว่าเราจะต้องมาดูว่าเราเห็นพระเจ้าอย่างไรบ้างเราเห็นพระเจ้าผ่านทางอะไรครับเราเห็นพระเจ้าผ่านทางพระกัมพีในพระกัมพีนั้นได้บันทึกถึงพระเจ้า แล้วเราจะรู้จักพระเจ้าก็ผ่านทางพระนามของพระเจ้านั่นเองเวลาที่เราอธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระองค์ไปที่เคารพจักระเราคิดถึงพระนามของพระองค์ที่เป็นพระเจ้าผู้สร้างครับเราคิดถึงพระนามของพระองค์ที่ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเราคิดถึงพระนามของพระองค์ทรงเป็นองค์เจ้านายเราคิดถึงพระนามของพระองค์หรือลักษณะของพระองค์ก็คือเป็นผู้ทรงฤทธิสุด เราคิดถึงพระนามของพระองค์ก็คือพระบิดาบนสวรรค์พี่น้องครับพระนามเหล่านี้นะครับก็เป็นนามที่เราทั้งหลายใช้ยกย่องพระเจ้าและเป็นพระนามที่เราทั้งหลายจะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าและให้พระนามของพระองค์เป็นที่เครารพสักการะสักการะกับใครครับสักการะกับเราครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นที่เครารพสักการะสำหรับชาวโลกทุกๆคนมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้พี่น้องครับ เราเห็นพระเจ้าผ่านทางพระนามของพระองค์นะครับในพระกรัมพีเราเห็นพระเจ้าในการอัศจรรย์เราเห็นพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับเราเห็นพระเจ้าในธรรมชาติที่พระองค์ได้ทรงสร้างพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สําคัญถ้าเราอยากจะอธิษฐานทำอธิษฐานแรกนี้เราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าพระนามของพระเจ้านั้นมีหลักๆกี่พระนามบ้างพี่น้องครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่า พระนามหลักลกของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมนั้นมีอยู่สามพระนามครับหลักๆครับพระนามแรกก็คือเอโลหิมเอโลหิมนั้นมีความหมายว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างทรงวิถีอนุภาพสูงสุดในปสมกาลนะครับใช้คาว่าเอโลหิมในบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งว่าพระเจ้าทรงเนรมิตรสร้างฟ้าและแผ่นดินโลกนี่คือพระนามของ พระเจ้านะครับเอโลฮิมแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างผู้ทรงฤิธฐานุภาพสูงสุดพรแนามที่สองของพระเจ้าครับคือพระเยโฮวาหรือพระยาเวซึ่งหมายถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักษาพันธสัญญาผู้ทรงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าวานนี้วันนี้และสืบสืไปเป็นนิดนี่คือความหมายของพระเยโฮวาหรือพระยาเวนะครับ นี่คือพระนามที่สองครับพระนามที่สามครับก็คือคาว่าอโดนหนหมายถึงจอมเจ้านายเจ้าเหนือหัวองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นจอมเจ้านายพระเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองชีวิตของเราดังนั้นครับพระเจ้าทรงมีสามพระนามหลักและร้องอิฐานขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเริ่มต้นที่ใครก่อนครับเริ่มต้นที่เราก่อนครับพระนามสามพระนามหลักนั้น แต่เป็นพระเจ้าองค์เดียวในสมัยของพระเยซูครับพี่น้องเกาอยู่ยำเกรงพระนามนี้มากจนเขาไม่กล้าที่จะเอ่ยพระนามศักสิทธิ์ของพระเยโฮวาหรือยาเวเพราะถือว่าเป็นพระนามที่บริสุทธิ์เกินไปครับเขาก็เลยเอาพรจันชนะจากพระนามยาพระนามยาเวนี่นะครับแล้วก็ตัวสละจากคำว่าอาโดนัยมารวมกันแล้วสร้างเป็นคาใหม่นะครับซึ่ง ผู้แปลพระกัมพีชอบคิงเจนนะครับก็ได้สะกดออกมาว่าเป็นยะโฮวานะครับและเมื่อชาวยิวนั้นอ่าจพาระวจนะพระเจ้ามาถึงคำว่ายะโฮวาหรือยาเวนะครับคนยิวที่เช่งชัด ก, ก็จะใช้คำว่าอโดนแทนครับเพื่อที่จะไม่ผิดในพระบัญญัติข้อที่ว่าจะลบหลู่พระนามของพระเจ้าพี่น้องครับชาวยิวผู้คัดลอกพระกัมพีนะฮะก็ มีการปฏิบัติอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เขาเล่าคัดลอบพระองค์พีนั้นเขาจะเรื่องเลือกปากกาด้าใหม่เพื่อใช้เขียนพระ น, นามของพระเจ้าครับเพื่อไม่ให้เป็นการลบหลู่พระเจ้าและเวลาใช้เสร็จนะครับก็จะหักปากกาทิ้งเพื่อจะนํากลับมาใช้อีกไปได้นี่คือการให้เหยียดพระ น, นามของพระเจ้าในทางปฏิบัติแต่ในทางปฏิบัติจริงๆของคนยิวทั่วๆไปซึ่ง เขาคิดว่าเขาย่ำเกลียข้เจ้าแต่ยิ่งแล้วได้หมิ่นประมาทพระเจ้าโดยการรักษาบัญญัติอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของตัวเองครับทําตามบัญญัติแต่ภายนอกแต่หัวใจเขาไม่ได้นำมาสการพระเจ้าไม่ได้มีจิตใจเชื่อฟังอย่างแท้จริงเมื่อพระเยซูสอนให้เราอธิษฐานนะครับว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนั่นหมายความว่าพระองค์ทรงหมายความว่าให้เรา ทำให้การทรงสถิตของพระเจ้านั้นเกิดขึ้นในหัวใจของเราให้จริงจริงๆครับนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราจะนมัสการพระเจ้าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพศัจการะนั่นหมายความว่าเมื่อเรารู้จักพระเจ้ายิ่งมากยิ่งมากยิ่งมากเราจะมีความเคารพยำเกรงศักการะพระเจ้านมัสการพระเจ้าดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆดี่นงครับเมื่อเราเริ่มต้นทำอธิฐานที่ว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพศัจการะ เราไม่ได้รีบเข้าเข้าพระเจ้ า, าเพื่อเรียกร้องให้พระเจ้าทำตามใจของเราหรือเราอาจจะเป็นห่วงถึงความบาปของเราหรือความสา ม, มารถในการอธิษฐานของเราเราเข้าเข้าวพระองค์โดยยอมรับความเป็นพระเจ้ายอมรับว่าพระองค์ทำอะไรให้กับเราได้ทุกอย่างเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักาการะ เราไม่ได้กําลังทําข้อตกลงกับพระเจ้าหรือวางเงื่อนไขเพื่อให้พระองค์ตอบคําอธิษฐานของเรานะครับบางคนเข้าใจผิดคิดว่าถ้าผมอดอาหารอธิษฐานพระเจ้าจะฟังคําอธิษฐานของผมหรือเปล่าบางคนเข้าใจผิดว่าถ้าผมหยุดทํำบาปพระเจ้าจะทรงตอบคําอธิษฐานของผมหรือเปล่าหรือบางคนเข้าใจผิดว่าถ้าแต่พระเจ้าข้าพองค์จะทําสิ่งดีบางอย่างเพื่อพระองค์เช่น ไปโบสถ์ไปชันไหว้ซับแล้วพระองค์จะตรงกับคําอธิษฐานของข้าพระองหรือเปล่าพี่น้องครับแรงจูงใจต่างๆเหล่านี้เนี่ยผิดนะครับถามว่าทําไมผิดครับแท้ จ, จริงแล้วคําอธิษฐานของเราเนี่ยนะครับเป็นเวทีสําหรับการนมัสการยกย่องพระเจ้าเมืเ่อเราอธิษฐานด้วยคําอธิษฐานของพระเยซูเรากําลังทําให้พระสิริของพระองค์ปรากฏอยู่ในชีวิตของเรา และคําอธิษฐานที่เราจับบอกว่าขอให้พระ น, นามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนั่นหมายความว่าเรากําลังมอบอํานาจนะครับของเราเนี่ยให้พระเจ้าทรงทํางานแทนเรากําลังมอบสิทธิของเราให้พระเจ้าควบคุมดูแลแทนเรากําลังมอบชีวิตของเราถวายให้พระเจ้าเพื่อที่จะให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นคําอธิษฐานจึงไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงพระเจ้า แต่คำิฐานนั้นเปลี่ยนแปลงพวกเราครับคำวิหารของพระเยซูพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราซึ่งหมายความว่าพระองค์พระบิดานี้อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับเราครับแต่ในขณะเดียกัพระองค์เป็นกษัตริย์ของเราเป็นพระผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงสร้างและปกครองจักรวาลผู้ทรงตั้งกฎธรรมชาติและกำหนดเหตุการณ์อนาคตโดยพระบัญชาทรันโดยพระสติปัญญาของพระองค์ เพราะฉะนั้นทำอธิษฐานของพระเยซูในประโยคนี้นะครับทําให้เราจะเข้ามาอยู่ในพระพักของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงห่วงใยความเจ็บปวดความรู้ถึงความต้องการของเราและเราเข้ามาด้วยความเคารพยำเกรงด้วยการถวายเกียรติสู่พระราชฐานของจอมกษัตริย์ผู้เรียกร้องการเชื่อฟังและความเคารพจากเรา ขอพระเจ้าทรงนำนอำานดพระพรและให้ชีวิตของเราที่จะให้ข้านามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะสูงสุดในชีวิตของเรานี่คือการนมัสการด้วยชีวิตอาเมน